มาในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องมาทำความรู้จักกับตัวเองแต่คนส่วนมากไม่รู้จักตัวของตัวเองไม่ทราบว่าตนเองเกิดมามีจุดประสงค์อะไรเกิดมาแล้วปล่อยให้อวชาตันหามันครอบงมจิตใจ ก <S an> ็เลยทำอะไรพูดอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นเสียเป็นส่วนมากคนในโลกนี้นะนนสำหรับผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วเมื่อเรามาศึกษาสับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้น พวนกระแสะของกิเลสไม่ให้ไปตามนาันิตของกิเลสนี่ความหมายแห่งคำสอนของอุตตเจ้านะเนาะฟังให้ดี <c oughs> จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าไอความอยากอันนี้นะ เมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายมาแล้วอย่างนี้มันจะต้องคิดแสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ทีนี้เมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วมันจะต้องจิดคิดเป็นอกุศลขึ้นมาบนี้นะนี้ยมันจะต้องแสวงหาในทางทุจริตต่อไปทีนี้เมื่อมานึกถึงคำสอนของพระเจ้าขึ้นได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไปล่วงสิทธิของผู้อื่นอย่างนั้นเบียดเบียนผู้อื่นนะมันเป็นบาปนะเป็นโทษไม่ได้ทุกันเป็นผลมันจะติด ต, ตามมาภายหลังเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ยับยั้งใจได้เรียกว่างับความอยากนั้นลงได้นี่แหละที่กล่าวว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องทวนกระแสของกิเลสไม่ไปตามกิเลสกิเลสอย่างใดที่มันบันดาลที่จะให้ทํำบาปมันเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี่เราไม่ไปตามมันห้ามใจตัวเองได้แม้ว่ามันจะได้เงินหมื่นเงินแสนเพราะการทําเช่นนั้นก็ไม่เอา ถ้าทำอะไรลงไปมันจะได้ผลน้อยแต่ว่ามันไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้ก็ยินดีอย่างนี้ล่ะถึงเรียกว่าเป็นผู้ทวนกระแสของกิเลส <c oughs> พูดถึงประวัติพระอาจารย์บุญหนักเนอะพระอาจารย์บุญหนักนี่ท่านเป็นภูมีอุปนิสัยมาแต่ยังหนุ่มยังแน่นเพราะว่าได้ ร่วมกันได้พบกันมาได้สังคมกันมาโดยลำดับเมื่อได้ออกบวชมาแล้วก็ได้เที่ยวสุดงด้วยกันก็ะจิงได้เห็นนิสัยของท่านว่าท่านเป็นผู้มุ่งต่อทรรมต่อวินัยจริงๆ <c oughs> แล้วเดินทางด้วยกันจาก บ้านนี่แหละขึ้นไปตามฝักเรียบไม่ต้องโขงนี่ไปถึงเสียงคานแล้วก็ไปถึงจังหวัดเลยไปจนถึงถ้าผาบิ่งอำเภอวังสะพุงก็ไปอาศัยภาวนาอยู่ที่ถ้าผาบิงนั่นไอ้ปกติร่างกายของท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว พอไปถูกก็อากาศเย็นอย่างนั้นก็จับไข้ขึ้นท่านก็บอกว่าผมธาตุขันมันสู้กับอากาศเย็นในถ้ำไม่ไหวว่างั้นผมจะต้องไปเที่ยวหาอยู่ในที่ราบตัวเองที่นี่หอดภาวนาอยู่ในถ้ำนั่นมันว่าได้ความสงบใจได้ความเย็นใจ คิดอะไรพิจารณาในก็ปลอดโปรง่งในที่สุดก็เลยไม่ไปกับท่านท่านก็ไปผู้เดียวแล้วก็พูดกันไว้ว่าภายหลังมาเราจึงไปพบกันเางั้นท่านก็บอกว่าผมจะไม่ไปทางไหนเรกเที่ยวหาภาวนาอยู่ตามหมู่บ้านเหาเนี่ยนะอางนั้น ท่านเมื่ออยู่ที่ถ้ำนั่นไปได้สองเดือนก็จึงได้ลงจากถ้ำนั้นไปตามหาท่านไม่พบเลยท่ น, นี้ถามไปหมู่บ้านใดก็ไม่ทราบข่าวก็เชิญว่าเอ๊ะท่านจะไปล่มสักพิบูจน์มังม้งวะก็เดินทางไปล่มสัก ไปลมสางเลยไปถามก็ไม่ทราบไม่มีใครรู้ว่าท่านมาที่นี่ไม่ไหวแล้วเราอ่ะขึ้นไปข้างหน้าก็ไม่ไหวมันเดือนหกมาแล้วฝน ล, ลงแล้วก็วต้องย้อนกลับมาอจำมันสาอยู่อำเภอท่าบ่อปีนั้น่ะเลยไม่ได้พบกันกันกบอาจารย์บุญหนักเลยตั้งแต่นั้นมาก็พลากกันแล้ววันนี้ ทราบข่าวภายหลังว่าท่านขึ้นไปเทียงใหม่นู่นไปพบพระอาจารย์มั่นนุ่นพระอาจารย์มั่นนั่นถ้าพระองค์ไหนนี่เจ็บเจ็บป่วย อ, อดอดแอะแอะตัวอยู่กับท่านนี่ไม่ไหวแล้วท่านบอกให้ไป <c oughs> ท่านบอกให้ไปหารักษาตัวก่อนจะมุนหักก็ต้องอยู่กับท่านไม่ได้อืบัดนี้ ท่านยิงได้เที่ยวมาทางจังหวัดเชียงรายเนี่ย โ, โรคภัยไข้เจ็บก็กำเริบขึ้นอย่างแรงอย่างว่า น, นั้นเนี่ภายหลังก็จึงได้มาอาศัยอยู่วัดป่าศักดิ์นี่ท่านมาอาศัยวัดป่าศักดิ์นี่จํานวนตั้งประมาณสี่สิบปีมันไม่ใช่อยู่ง่ายๆท่านมาอยู่ที่นี่นะท่านอดท่านทนท่า น, านสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆมีผู้ไปสังเกตการเดือนห้าแดดร้อนรนในท่านอยู่อย่างไรเพราะว่าท่านไม่ออกมาข้างนอกมีผู้ไปส่องดูละท่านนั่งสมาธินิ่งเงื่อซึมอยู่ทั่วตัวอะไรวระมาณเออท่านก็ไม่ถอยอะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มุนหังท่านมีคุณธรรม อย่างสูงทีเดียวถ้าว่าผู้ไม่มีคุณธรรมอย่างสู ง, งนั้นจะไม่ส้ำรวมตนอยู่ได้อย่างนั้นอยู่ที่เดียวกุติหลังเดียววังถ้าว่าการที่จะได้ลงมาสู่พื้นดินนี่มีน้อยเต็มทีเลยเดินจงกรมอยู่ระเบียงกุตินั้นเมื่อเหนื่อยเดินแล้วก็เข้าไปนั่งภาวนา เหนื่อยนั่งภาวนาก็ออกมาเดินจงกรมถึงเวลาส่งน้ำล้วก็ไปส่งน้ำเท่านั้นในกิจวัตรของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มีญาณความรู้รู้อดีตรู้อนาคตดังที่ญาติโยมผู้อยู่ใกล้ชิดนี่คงรู้คง ได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาแล้วไอ้เรื่องความรู้ของท่านนะอย่างนี้แหละอย่างที่หนังสือที่พิมพ์ไว้แจกกันนี่ก็นยกล่าวถึงปฏิปทาของท่านท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมอย่างไรความรู้เรื่องอดีตอนาคตนี่ไม่ง่ายนะพระสาวกของพระเจ้านี่ น้อยองค์ที่จะรู้ได้แม้แต่ครั้งพุทธการก็เหมือนกันนะแต่ครั้งพุทธการนั้นไม่ใช่ว่าภาสาวกเหล่านั้นท่านจะรู้เรื่องอดีตอนาคตไปได้ทุกองไม่ใช่นะบางองค์ก็เพียงจะปฏิบัติไปทำอาศวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเท่านั้นแล้วท่านก็อยู่แต่บางท่านเป็นองท่าน จเจริญสมถะวิปัสนาไปก็ได้บรรลุฌานสมาบัติ <c oughs> นั่นเนี่ยแล้วท่านจเจริญวิปัสนาไปไม่ถอยก็ทําอาสวะให้หมดสิ้นไปได้พร้อมด้วยคุณพิเศษต่างๆ <c oughs> อเช่นระลึกชาติหนุนหลังได้บ้างรู้เรื่องของผู้อื่นได้บ้างอย่างนี้แหละเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วยังไงชาติก่อนหนุนหลัง เห็นมาอย่างไรท่านก็รู้ได้แล้วอนาคตเรื่องนี้มันจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็รู้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างก็คงรู้ไม่รอบครอบเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแหละ <c oughs> เป็นอย่างนี้สาวกของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้นะภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวตาสงสาร นี่ยแปลออกเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่เหมือนอย่างอันคนแก่บางคนในบ้านหม้อนี่วะพริกคุอืก็แปลว่าไม่ติดม อ, อกมันมอดมันกินนะพอพริกมันมันก็ขี้หมอดก็โผล่ออกมาเลยขนุนวะิกคุแปลว่าขี้มอดอันนี้มาลีโคก ไม่ใช่อย่างนั้นพิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวตาสงสารถ้าผูใ้ใดบวชเข้ามาแล้วไม่เห็นภัยในวตาสงสารแล้วไม่ได้นามว่าพิกคุนะให้เข้าใจ อ, อย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นผู้มีอายุยังหนุ่มยังน้อยอยู่ก็ตามผู้มีวาสนาบา ร, รมีแล้ว เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เห็นทุกเห็นภัยในวตสาสสงสารนี้เพราะเหตุ น, นั้นสามนเณรน้อยก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตามพระสงฆ์ไปได้เพราะเพราะว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตัวเองนี่ว่าการเกิดมาแล้ว มีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนร่างกายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วจิตใจยังวันไหวไปด้วยกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ทนทรมานเพราะอำนาจกิเลสตัณหามันเผารนเรามากมายแม้จะเป็นสามเณร น, น้อยก็ช่างถ้ามาคิดได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้แล้วก็ประพฤติพรหมาจรารย์ไปได้ด้วยดี เป็นผู้ไม่ ต, ตลกค น, นองเฮฮา เ, ออเป็นผู้ตั้งสติมีสติสังวรสำรวมในสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยดีหมัน่นขยันทมกิจวัตรต่างๆตามหน้าที่ของผู้เป็นสามเณรแม้เป็นพระภิกษุหนุ่มก็ตามถ้าว่าเป็นผู้มีความเทียนเพ่งพินิษ อยู่ในร่างกายสังขาร น, นี่บ่อยๆแล้วมันก็ย่อมรู้เรื่องราวของกายและจิตตัวเองนี่ได้ชัดเจนเลยทีเดียวถ้าว่ามองดูตัวเองว่าไม่เห็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ธรรมดาผู้มีปัญญามันก็จะต้องเพ่งดูคนอื่นนุ่นคนอื่นที่เจ็บไข้ได้ป่วยมา ก, ก็มี และตนเองนั่นไม่ใช่จะ ย, ยั่งนุ่มอย่างนี้อยู่ตลอดไปนานไปมันก็แก่ชราไปเหมือนกับคนที่เกิดก่อนตอน <c oughs> ผลสุดท้ายก็ตายเหมือนกันหมดแล้วก็มาเห็นภัยในกิเลสราคะโทสะโมหะมันเผาจิตใจเราร้อนนี้ <c oughs> คนส่วนมากนั่นมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันไม่มีปัญญาไม่มีความอดทนที่จะทำความเพียรเผากิเลสปล่อยแต่ให้กิเลสมันเผาใจตัวเองเหตุฉะนั้นบวชอยู่ก็บวชไม่ได้อยู่ไปไม่ได้เพราะว่าปล่อยให้กิเลสเผาตัวเองจนเองไม่ทำความเพียรเผากิเลสผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้นั่น เพื่อนทำความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนจริงๆนั่นนี่ขันติตปะสิโนคุณวะขันติตโปตปะสิโนโความอดความทนความภาเคเพียรพยายามนี่เป็นตปะเครื่องแผดเผากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปหรือหมดไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสพาสิทธิไว้ก็เพื่อให้ ผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนานี่สร้างขันติธรรมนี้ขึ้นในใจของตนไม่ว่าครือขัดไม่ว่านักบวชอือันคุณธรรมเหล่านี้นะ่ะมันจําเป็นต้องมีทุกคนเลยถ้าใครไม่มีขันติธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่ในจิตใจแล้วทําอะไรก็ไม่สําเร็จอย่าว่าแต่จะมาปฏิบัติธรรมนี้ แม่แต่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในทางโลกให้เป็นฝั่งเป็นฟ้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าการงานในโลกนี้ไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆเมื่อไหร่มันทํายากต้องออกแรงต้องอดต้องทนกำนํำผนทนแดดนี่ลองทบทวนดูผู้ครองเรือนทั้งหลายนะ่ในที่เราผ่านพ้นมาได้ต่างตัวเป็นฝั่งเป็นฟ้าก็เพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้เอง แต่แล้วนั้นความอดอ น, นั้นมันให้ผลทางด้านจิตใจน้อยไปคือหมายความว่ามันทำกิเลสทันหาให้แห้งไปไม่มาก <c oughs> ถ้าจะไปใช้แต่ความอดความทนทำการทำงานหารายได้ไจเจริญด้วยลาบยศธนเสริญเพียงแค่นั้นน ะ, ะมันมันก็ได้ผลทางด้านจิตใจไม่มากหน่อยเดียวนั่นแหละ เพราะว่าการที่อดทนทำการงานอยู่นะั้นกิเลสมันไม่ได้แห้งไปการที่เราสร้างความอดทนมานั่งสมาธิภาวนากันนี่นั่งเพ่งดูกายดูจิตนี่นะไม่ไม่ใช่ว่าไปดูอย่างอื่นนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากนะาการภาวนานั้นนั่งสมาธิตัวกลงเข้าไปแล้วก็ตั้งสติเพ่งดูลมหายใจเข้าออก เบืองต้นก็อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เอาเป็นที่พึ่งซะก่อนเสร็จแล้วก็ตั้งสติเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่นี่ก็ได้ความรู้เรื่องชีวิตขั้นหนึ่งแล้วเวลาคนจะตายน่ะลมหายใจนี่มันค่อยสั้นเขา้าสั้นเขา้านั่นแหละมันไม่ได้ปกติอยู่แล้ว ในที่สุดลมหายใจก็หมดไปเลยอันนี้เมื่อคนที่ยังไม่ตายนี่ลมหายใจมันก็เข้าออกอยู่ตามปกติเช่นนั้นแต่เราจะรับรองได้หรือว่าลมหายใจนี่นะมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนี้เรื่อยไปรับรองไม่ได้เช่นอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาีเอาลไรบางทีมก็โกครคภัยนะมัน บีบคันร่างกายนี้มากหายใจแรงหายใจโห่หักโห่หากไปเอาวางโรคบางอย่างมันบีบทางลมหายใจเข้าออกหายใจอึดอัดตรงนี้สิมันรู้ตัวอยู่อะเรื่อนี่ตายแน่เพราะเพราะมันหายใจไม่ออกหายใจยากนี่ลองลองสังเกตดูลมหายใจไม่ใช่ว่ามัน เราจะได้หายใจเป็นปกติอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ใช่แล้วที่ผ่านานมาใครก็คงรู้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาลมหายใจเป็นยังไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อรวมใจความลงแล้วว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แท้ๆนะถ้าหากว่าเราเห็นลมหายใจเข้าออกนี่ยังปกติอยู่ แล้วก็อิ่มใจว่าเรายังมีชีวิตอยูอ่นั่นแหละถ้าเกิดว่าลมหายใจนี่ติดขัดเข้าไปแล้วเอาเลยเ อ, เอย้เรานี่จะตายแล้วมังว่งหัวนี่นี่เราเพราะฉะนั้นจึงว่าเส้นของชีวิตนี่นะก็คือลมหายใจเข้าออกนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้นั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าออกนี่เมื่อผูใ้ใดมันดูลมหายใจเข้าออกนี่บ่อยๆเข้า จะมองเห็นชีวิตนี่มีน้อยเดียวไม่มากเลยน้อยเดียวสิถ้าลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดแล้วก็หมดเรื่องกันนะแต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเรารู้ไม่ได้นะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราเตรียมตัวไว้เสมอไป ฝึกสติสมบัตญาณนี่ให้มันเข้มแข็งไวอันที่สติสมบัสญะมันจะเข้มแข็งก็เพราะเราภาวนานี่แหละนั่งสมาธิแล้วระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ให้มากไม่พยายามระ ล, ลึกออกไปข้างนอกอันนี้เรียกว่าสร้างสติสมบัสิญะให้แก่กล้าในทางธรรมในขณะที่เรานั่งภาวนานะ เราไม่สร้างสติสมัชย์ยะให้แก่กล้าไปในทางโลกไม่ใช่วันนั่งสมาธิแล้วคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรไปทั่วพิภพ อ, อย่างนั้นออย่างนั้นไม่ไม่ชื่อว่าภาวนา <c oughs> อันภาวนานี่มันต้องสะกดจิตต้องสำรวมจิตอพยายามสะกดจิตไม่ให้มันคิดสายไปทางอื่น ให้กําหนดจิตรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก่อนอื่นทั้งหมดนี่มันต้องจับลมนี่ก่อนนะการภาวนาถ้าใครกําหนดลมนี้ไม่ได้แล้วจิตนี่จะไม่อยู่เลยจะไม่ตั้งลงได้ผู้ภาวนาย่อมรู้ได้ถ้าผู้ผู้ไม่ภาวนานั่นก็สักจะสงสัยเหมือนกันแหละมันเป็นอย่างนั้น แต่นั้นไม่ต้องสงสัยเราต้องทำดูมันมีผลดีทั้งทางโลกทางธรรมนาการภาวนานี่นะแม้ผู้อยู่คลองเลือนอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรต่างหากภาวนาผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นไม่ไม่ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าภาวนานี่เป็นการ รักษาจิตดวงเดียวนี้นะใครก็มีจิตดวงนี้เป็นแกนของชีวิตทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เพราะนั้นเรามาฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วความหมายโดยสรุปนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผูใ้ใดเข้าใจความหมายโดยสรุปได้อย่างนี้ละ ผู้นั้นก็จะไม่เกียจคร้านในการนั่งสมาธิภาวนาออบางคนก็ว่าเห็นนั่งภาวนาเข้าไปแล้วแม้จิตไม่อยู่เลยทำไม่ไดออ้มันจะอยู่ยังไงแล้วเราไม่ได้ฝึกมาแต่ก่อนนี้ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลคู่อย่างนั้นนะแล้วพอมานั่งหน่อยเดียวนึงจะให้ใจมันสงบลงไปหนึ่งอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างว่าบุคคลจับสัตว์หกจำพวกมาแล้วมัดขามันแล้วแบนี้เงื่อนทางหนึ่งนั้นเอามารวมรวมกันเข้าแล้วมัดติดหลักไว้แน่นหนาอย่างเงี้ยแล้วแล้วปล่อยสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมันจะดิน้นถ้าเป็นนกมันก็จะพยายามบิน ถ้าเป็นสัตว์สีเท่ามันก็จะพยายามวิ่งไปออตามความประสงค์ของมันแต่เมื่อมันเชือกมันลัดขามันอยู่มันไปไม่ได้มันก็ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมารอหลักอันนั้นอยู่นั้นพอไปไปแล้วมันเหนื่อยนี่นนี้พราะมันเหนื่อยแล้วมันก็ยู่เท่านั้นอนนี่ก็มารวมกันอยู่ที่หลักปิวนั้นนะไปไหนไม่ได้แล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ จิตใจของบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอารมมันก็จะต้องดิ้นแหละเมื่อเราเอาสติเข้าไปถูกมัดมันสติ น, น, น, นั้นท่านเปรียบเหมือนกับเชือกนะนั่นแหละเมื่อเราน้อมสติเข้าไปถูกมัดจิตนี่ไว้ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นอย่างนี้นะมันกดดิ้นนะอะพาพอเมื่อมันดิ้นอย่างนี้เราก็ไม่ถอยเอ้ทีแรกนี่ก็เอามันคิดอะไรก็ ผ่อนผันไปบ้างก็ผ่อนผันไปเนืเน้อก็เอาห้ามจิตลงไปห้ามไปสะกดมันลงไว้ถ้ามันขืนจะคิดไปอีกก็ผ่อนมันไปนิดหน่อยพอมันคิดรู้เรื่องอะไรแล้วนี่ก็เอาสะกดมันลงค่อยให้มันคิดสั้นเข้าสั้นเข้าทีแรกก็ปล่อยมันคิดไปยาวๆสักหน่อย ทาต่อไปก็พยายามให้มันคิดสั้นเข้าสั้นเข้าเรื่อยๆไปเนี่ยจะมาหัดภาวนาทีแรกจะเป็นพระใหม่ไปจำมันสายเมืองหนองคายก็ใช่อุบายนี่แหละพอเข้านั่งสมาธิเข้าไปแล้วมันคิดไปท่วพิภพเลยอ๋อมันคิดไปก็ไปแต่ว่าสติตามไปมันคิดเรื่องอะไรสติตามไปตามไปตามไป ออถ้ามันจะคิดไปสร้างโลกโหสร้างไปสร้างมาก็ตายนะไม่ได้อะไรเลยเอามนก็ถอยเข้ามาความคิดนะะเ อ, อพอมันคิดแปลไปทางกิเลสเข้าไปอืมไม่นานก็ตายนะคนเนี้ยไม่ทราบจะไปถูกพันอะไรแล้วพอเตือนเข้าเตือนเข้านี่มันก็ความคิดมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาในที่สุดก็มาถึงตัวแล้ววันนี้นะออพอถึงตัวแล้วก็ น, น้อมเข้าไปภายใน พอ น, น้องก็ไปภายในได้ก็มันก็ไปสงบอยู่ได้นิ่งอยู่ได้แบบนี้มันมันไปพล ร, รงแล้วมันเหนื่อยแล้วนี้มันเหนื่อยคิดแล้วอ่ะมันก็นิ่งอยูเงียบเพราะว่าเราเราไม่ปล่อยสตินี่เอาสติตามความคิดความนึกอันนั้นเรื่อยมาพยายามถอยเข้ามาถอยเข้ามานี่วิธีที่ฝึกฝนจิตที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิภาวนามา แต่ก่อนเพิ่มเมื่อเริ่มฝึกหัดเข้าไปนี่เราจะไปสะกดให้มันนิ่งอยู่ทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกออมันต้องปล่อยให้มันไปบ้างแต่ว่าสติเราพยายามประคองประคองประคองไปถ้ามันจะเตลดเิดเปิดเปิงไปสะกันนิวมันเข้ามาอาอย่างนั้นแหละเมื่อมันสติกล้าเข้าไปแล้วมันมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยอย่างที่ว่ามานั่นแหละเอาแบบนี้การฝึกกีดนี่นะ อย่าพากันไปนิ่งนอนใจเห็นว่านั่งภาวนาใจไม่อยู่แล้วเลยไม่พยายามทําไปซะเลยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะนี่แหละคนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนเราตายแล้วบางคนก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผี เ, เล่ยล่อนอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ได้ฝึกใจของตนเองเลยตั้งแต่เกิดมาจนตาย ปล่อยใจให้มันไปขอ่อไปคล้องไปยึดอะไรตตออะไรอยู่ทั่วไปเอออย่างนี้นี่เมื่อตายลงแล้วไปไหนก็ไม่ได้เลยเออเพราะว่าใจไม่มีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่เป็นที่ระลึกเลยมีแต่อารมณ์มีแต่โลกสงสารมาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะอย่าพากันกลัวไว้อย่าพากันไปนิ่งนอนใจคนเราทั้งคนนี่มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่น ขอให้เพ่งพิจ่นาดูให้ดีเมื่อเราควบคุมจิตได้แล้วได้หมดทุกอย่างเลยเราทำความดีได้หมดเลยทีเดียวเมื่อควบคุมจิตใจในี้ได้แล้วนึกว่าจะให้ทานของสิ่งนี้เลยให้ได้เลยมันมันจะเกิดความโรคความห่วงแหนขึ้นมามันเกิดไม่ได้เพราะว่าเราห้ามจิตได้แล้วก็ให้ได้จริงจริงอะ ให้ได้ด้วยความเต็มใจแท้ๆอย่างนี้นะาการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อควบคุมจิตดวงนี้ได้แล้วมันก็ไม่ล่วงไม่ไม่ไม่ล่วงศีลเลยถ้าควบคุมจิตดวงนี้ไม่ได้แล้วกิเลสมันปั่นเอานี่หวยล่วงศีลคนส่วนมากมีศีลอยู่แต่มาในวัดนี่เนะี่พอออกจากวัดไปแล้วศีลเอาฝากไว้ในวัดเอเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะ แต่อย่างนั้นมันก็จะได้ผลอะไรได้บุญดอกได้นิดหน่อยทอนแหละดังนั้นเพราะฉะนั้นอย่งว่าเราต้องฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลให้ได้อืมจิตแปลว่าความคิดหรือความรู้นี่แหลมะมโนโคือใจแปลว่าควา ม, น ม, มโน้มมโนนี่หมายถึงใจมันโน้ม ไปในอารมณ์ต่างๆนี่นะเมื่อมันน้อมไปอย่างนี้แล้ ว, วันนี้มันคิดบันนี้คิดไปในเรื่องนั้นท่านก็บญญัติว่าจิตตั้งแปลว่าความคิดอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเมื่อพยายามฝึกจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณลต่อคุณพระตัตนกลัยได้แล้วมันก็ไม่มีหลายเรื่องบันนี้ไม่มีหลายเรื่องเลยมันก็ไม่ไป ไม่เกิดขึ้นได้เมื่อจิตมันนิ่งได้อยู่แล้วนี่มีแต่บุญแต่กุศลทั้งนั้นอยู่ในจิตบะนี้บาปไม่มีเพราะว่าเรื่องของบาปนั้นเราสละมันออกไปแล้วไอ้จิตที่มันคิดเล่รล่อนไปต่างๆนั่ น, น, นแหละคือสายของบาปเราสละมันออกไปแล้ววันนี้เมื่อมันหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันได้อย่างนี้แล้วก็มีแต่บุญกุศลล้วนๆเลยบะ น, นี้อยู่ในใจนั่นนะ มันเป็นอย่างงา น, นขอให้พากันเข้าใจนังนั้นเราพยายามภาวนาเนี่ยทําจิตให้สงบลงไปได้แต่ละครั้งนี่โอ้ได้บุญมากมายกายกองนะเราก็รวบรวมเอาบุญเอากุศลเอาความดีมาไว้ในใจอันสงบอยู่นั่นแหละไม่สูญหายไปไหนแต่ถ้าถ้าใครไม่พยายามฝึกใจนี้ให้สงบระงับลงได้พอครูพอยามอย่างนี้ มันก็ยากที่จะรักษาบุญกุศลความดีไว้ได้เพราะว่าใจมันไม่เอาไหนนี่ใจไม่ชอบบุญกุศลมันถึงไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเพราะว่าบุญกุศลนี่เป็นของเย็นเป็นของสงบนี่ลักษณะของบุญเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นของเย็นเป็นของสงบแล้วมันก็ไม่ชอบคิดอะไรมากมายเมื่อฉิตมีบุญกุศลมีคุณพระรัตน์กลเป็นเครื่องอยู่แล้ว มันก็เย็นสบายไม่ว่าจะคิดอ่านการงานอะไรมันก็คิดไปแบบมีเหตุมีผลไม่จะคิดประมําปราเอา้าเรื่องนี้การงานนี่ควรจะคิดอย่างนี้ก็จับเอาเรื่องอันนั้นมาคิดโดยเฉพาะเลยไม่ให้เรื่องอื่นมายุ่งมเมื่อคิดแต่เฉพาะเรื่องเดียวเนี่ยมันก็รู้ชัดได้ว่างานอันนี้ควรทําอย่างนี้อย่าง น, างนี้มันรู้ได้เลยแล้วก็ทําไปตามนั้นมันก็ไม่ผิด เออเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจวันนี้เรามาทำบุญกุศลกันเพื่ออุทิศถวายพระอาจารย์บุญหนักดังนั้นก็จึงได้นำเรื่องราวของพระอาจารย์บุญหนักมาเล่าสู่กันฟังโดยสังเขปพอเป็นเครื่อง อ, อ, อุ่นใจของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ อุปถัมภ์บำรุงท่านมาด้วยศรัทธาเลื่อมใสเมื่อได้ฟังประวัติของท่านหรือว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลเมื่อได้ยินได้ฟังประวัติของท่านอย่างนี้แล้วก็จะเพิ่มความเชื่อความเลื่อมใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรากราบเราไหวเราสักการะบูชาเพียงแค่รูปถ่ายของท่านอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ดังนั้นเนี <c> ่ย <oughs> ในเรื่องภาวนานี่นะจึงว่าเมื่อรวมใจความแล้วว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำเราสาหรับเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญกุศลตกแต่งให้แล้วถ้าไม่ได้เกิดมาอาศัยรูปร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นั้นเราจะทำความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นไปไม่ได้เลย ดูแต่สัตว์สิ่งเรืองฉานนะมันทำอะไรได้ล่ะมีแต่รับใช้มนุษย์เท่านั้นเองนี่แหละทวนคนเรานี่ลองทบทวนดูผู้ที่จะมาตัศรู้เป็นผู้ริเจ้าก็มาเกิดเป็นคนผู้ที่มาตัศรู้เป็นพระประเจกผู้ริเจ้าก็มาเกิดเป็นคนผู้มาเป็นอักสาวกหรือว่าเป็นภะษาวกของผู้ริเจ้าก็มาเกิดเป็นคน นี่คนเราในจังหวัมันมีคุณค่ามหาศาลคิดดูแต่ว่าจะมีคุณค่าได้ก็เพราะอาศัยเราเพียรรักความชั่วเพียรกระทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทำความดีให้เกิดขึ้นมีแล้วก็พยายามรักษากุศลคุณงามความดีนั้นไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมบนันนี้เมื่อเมื่อเรารักษาความดีนั้นที่ทามาแล้วไม่เสื่อม แล้วเราทําเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆมันก็จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆความดีนั่นนะอมันก็มีกําลังเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อความดีคือบุญกุศลมีกําลังมากขึ้นไปเท่าไหรมันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมออกจา ก, กจิตใจนี่ไปได้เท่านั้นแนะ่ละการกิเลสบาปธรรมนี่เราจะเอาอันอื่นมากําจัดไม่ได้นะคิดดูให้มันเห็นด้วยตนเองข้อนี้นะถ้าผู้ใดคิดไม่เห็นแล้วก็อย่างว่านะนะั่นแหละอ่ มันก็จะสงสัยเอ๊ะเราทําบุญไปนี่เพื่ออะไรนี่นี่ก็วางคนก็จะเข้าใจเพียงแค่ว่าเออเพื่อให้ได้ความสุขความเจริญเ อ, เ, อเกิดไปชาติใดก็อยากได้อดได้ยากก็คงคงคิดไปอย่างนั้นแหละก็ได้แค่นั้นแหละจะลึกไปกว่านั้นก็ไม่ได้แต่มันก็หายากเหมือนกันเลย คนที่จะมีบา ร, รมีคนมีวาสนามันถึงสนใจกับพระกับเจ้าลองคิดดูอายุเพียงแค่ยี่สิบสองปีนะนี่เขาโทรมาทำไมเขารู้จักกับเราหรอี้เขาก็รู้สิมันได้อ่านหนังสืออะไรมันรู้วะเนื้วอย่างนี้นี่มันก็ มันก็พอสงเคราะห์กันอยู่อย่างว่านั่นแหละเพราะว่าเขามันก็สนใจในธรรมะจริงๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นงว่าพวกเราผู้ที่ได้มีโอกาสได้เข้าวัดใจฟังคําสอนของอุทยเจ้าอย่างนี้นะก็สมควรที่จะทําความเพียรกันจริงๆเพราะว่าพระธรรมคาสอนของอุทยเจ้านี่ เป็นสันติโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ใครไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เพราะว่าพระธรรมนั้นมันยมเกิดขึ้นกับดวงกิจที่สงบที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดกับดวงกิจที่เลื่อนลอยเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษีด้วยว่าสมาฮิตโตยธาภูตังประชานาติ แปล ว, ว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วยอมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้นี่มีพุทธภาสิตรับรองไว้อย่างนี้นะดังนั้นพวกเราก็ปฏิบัติตามหลักนี้แหละทำยังไรใจเรามันจะตั้งมั่นลงเราก็พยายามนะอยจะไปเห็นแก่หลับแกนอนเราต้องภาคเพียนพยายามแล้วเรา ทำบุญกุศลอะไรก็ดีทำความดีอะไรก็ดีก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่ไม่ใช่เหรอน้องคีดด่ดูนั่นแหละแต่ว่าที่นี่เมื่อเราทำบุญกุศลไปแล้วไปปล่อยจิตให้เลื่อนลอยซะไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปแลอย่างนี้แล้วบุญกุศลไม่มีที่อยู่เลยไม่มีที่อาศัยมันจะมันจะอาศัยอลไรบุญกุศลจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นอกจากใจนี่แล้วไม่มี ไม่มีที่อยู่ใจบุญกุศลญาไยใจนี้ได้เพราะใจนี้ตั้งมัน่นอุปมาเหมือนอย่างน้ํากับโอ่ ง, งน้ําอย่างนี้นะถ้าหากว่าไปเขย่าโอ่ ง, งน้ํานั่นให้ไหวไปไว้มาอยู่นี่น้ํานั้นกระเพื่อมไปกระเพื่อมมากระเด็นออกจากโอ่ ง, ง น, นั้นไปหมดไม่มีอไปอย่างนั้นนะ นี่การที่น้ำมันจะขังอยู่ในโอง่งนั่นได้ก็เพราะว่าตั้งโอง่งนั่นไว้ในที่เรียบๆอย่าให้มันเอียงไปเอียงมาน้ำนั้นมีอยู่เท่าใดก็เท่านั้นเลแบบนี้นี่รูปเปียบอันนี้นะยกรูปเปียบมาให้ฟัง <c oughs> นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วข็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ พึกจิตใจของตนเข้าไปไ อ, อการเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละทำให้ใจเรามันสงบลงได้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะเขออาจะได้ลืมเรื่องภาวนาสมาธินี่นะแม้ว่าเราจะบริกรรมนึพูดโทอย่างนี้แต่ถ้าลืมลมหายใจเข้าออกนี่แล้วพูดโทมันก็วิ่งออกนอกนู่นนะมันไม่ได้อยู่ใน อ, ะอ่ะอมันเป็งนงั้น ดังนั้นการที่พุโทโธจะตั้งอยู่ภายในนีได้ก็พรเรามาเพ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในก่อนเมื่อจิตตั้งอยู่แล้วนึกพุโทโธมันก็จึงอยู่อยู่ที่ใจนั้นพุโทโธก็อยู่ที่ปัจจุบันนั่นเลยไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละเมื่อพุทเมื่อนึกพุโทโธอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ไม่ไม่พลิกไปทางอื่นได้อย่างนี้นั่นแหละใจนี่มันจึงจะค่อยสงบลงโดยลําดับไป เมื่อมันไม่มีโอกาสคิดไปทางอื่นแล้วมันก็ค่อยสงบลงสงบลงโดยลําดับไปเมื่อมันสงบลงไปถึงที่มรแล้วพุโทโธก็ระ ง, งับลงหมายความว่าความคิดถึงพุโทโธนั้นก็หยุดลงเมื่อพุโทโธระ ง, งับลงไปก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้ต่ท่านเรียกว่าสมถะ ภ, ภาวนา เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนของตนก็จะได้ประสบความสุขตามความสามารถที่ตนจะพึงกระทำได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้